แม้ปัญหามากมายต้องย่เปืนปนต่อไปดินรนทุกทางอดท น, นพสิ่งที่หวังทั้งชีวิตทุ่มไปถึงฝันยังไกลแสนไก ล, ลอย่าไปท้อ